นี้ขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านเจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์หลวงพ่อปัญญาณันทภิคุแห่งวัดโชลประธานรังสิตปากเกร็ดนนทบุรีเรื่องพระคุณแม่ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นบัด น, นี้ค่ะนั่นตอนแต่อย่โยอมพุทธมบริษัททั้งหลายนับัดนี้ได้เวลา ท่านทั้งหลายจะได้ฟังเสียงจาททกตัวรัศน์ช่องห้าแล้วขอให้ทุกท่านที่มีโอกาสเปิดเครื่องรับฟังเพิงตั้ง อ, อกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังมสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันที่จากไทยเราได้สมมติว่าเป็นวันแม่อันวันแม่นั่นเป็นวันที่เตือนใจพวกเราทั้งหลาย ที่แม่แม่ด้วยกันทังนั้นให้ระลึกถึงปรากลของแม่วันแม่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยความคิดของชาวตะวันตกคือองค์การสา ป, ประชาชาติองค์การสา ป, ประชาชาติเป็นที่รวมของชาติต่างๆแล้วก็ได้ทำอะไ ร, ร, รที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติดนนั้นั้นแก่ลูกตามสมควรแก่ฐานะ องค์การอนุองค์การสาธารณสุขได้มองเห็นว่าพ่อแม่ถูกทอดทิ้งพ่อแม่ที่ตกถูกทอดทิ้งไม่ใช่พ่อแม่ชาวอเอเชียแต่เป็นพ่อแม่ของชาวยุโรปอเมริกากล่าวในประเทศนั้นเขาไม่ค่อยจะสอนกันในเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกะตะวัยทีลูกหลานไม่ค้อยนึกถึงบุญคุณ ของพ่อแม่ปู่ตายายให่พอเขาโตขึ้นมาหน่อยเขาก็ประทอดทิ้งพ่อแม่วันนกที่บินจากพ่อจากแม่ไปโดยไม่แล้วแหลอีกต่อไปองค์การสามประจาชาติเห็นว่าเป็นความทุกข์ของคนแก่แก่ก็ไม่มีคนดูแลและดูรักษาจึงได้จัดวันนี้ขึ้นเนียกว่าวันแม่ประเทศไทยเราได้มีการเฉลิมฉลองวันแม่ มาหลายปีแล้วแต่ในสมัยก่อนนั่นคือเอาเดือนเมษายนเป็นวันแม่แต่ต่อมาก็ได้เปลี่ยนเพราะว่าเรามีองค์พระมาศ ก, กษัตริย์เป็นประมุขของชาติวันชาติเมื่อก่อนนี้ถือเอาวันที่24มิถุนายนเป็นวันชาติแต่ต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันแม่ก็เช่นเดียวกัน เราได้เปลี่ยนมาเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระบรมราชนีนาะซึ่งเราถือว่าเป็นแม่ของชาติไทยเหมือนกันอันองค์สมเด็จพระบรมราชนีนาะธ์องค์ปัจจุบันนี้เป็นเป็นพระราชนีที่ปฏิบัติพระองค์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวไทยทุกท่อนหน้าตั้งแต่สร้างบ้านสร้างเมืองมาจนกระทั่งถึงบัจจนบั เรายังไม่มีพระบรมราชินีนาถที่ปฏิบัติพระองค์เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ประชาชนเท่ากับสมเด็จพระบรมราชนีนาถองปัจจุบันที่เราได้เคารพนับถืออยู่นี้พระพระองค์ได้ทรงกระทำหน้าที่แห่งพระบรมราชนีนาถทุกประการทรงกระทำพระองค์เป็นแม่ของประชาชนอย่างแท้จริง ทีใดมีทุกข์มีความแดดร้อนมีปัญหาพระองค์ก็จะเสะด็จไปสู่สถานที่นั้นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ความแดดรอด้อนของประชาชนผู้ตกอยู่ในความทุกข์ความแดดรอด้อนทรงกระทําพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งด้านป้องกันและด้านแอบกัในปัญหาต่างๆกิจกรรมที่พระองค์ทรงกระทํานั้นปรากฏไปทั่วลูก จนล า, านาประเทศได้ทรงยกย่องพระองค์ว่าเป็นประหาราชินีผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ปวงจนชาวไทยเป็นจํานวนมากมากที่เหลือที่จะปะนานาให้หมดสิ้นได้ไปรับเกียรติจากเจ้ลูกสมควรแนวที่เราทั้งหลายจะได้สักการะบูชาพระองค์ว่าเป็นผู้มีพระคุณอันประเสริฐแก่พระสงนิกรงทั้งหลายอันการบูชาพระองค์นั้น เราได้กระทํากันในด้านวัตถุมีมากมายหลายอย่างหลายประการเช่นกองทับอากาศกระทําการบูชาพระองค์ด้วยการสร้างพระหมหาเจดีย์บนดอยอินทนน์ซึ่งเป็นดอยสูงสุดของประเทศไทยเจดีย์ได้สร้างไว้องค์หนึ่งแล้วแล้วก็จะสร้างองค์ อ, ง อ, งอีกองหนึ่งเพื่อจะเลิมจะหลงพระเกียรติของสมเด็จพระหมหาปรรมราชินีนะ มันก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งการบูชาสักการะพระเจาจนทั่วประเทศได้มีการจัดทำอะไรอะไรในทางด้านที่เป็นวัตถุเพื่อเป็นการบูชาสักการะพระองค์ด้วยประการต่างๆก็เป็นการสมควรแนวที่จะกระ ท, ทําเเจนนั้นแต่ว่าการกระ ท, ทําเเจนนั่นทั้งหมดเป็นเรื่องของอามิูชาคือบูชาด้ดยวัตถุมีประการต่างๆ ผู้มีประปาเจ้าไม่สันเสริญอาบิสบูชาแต่ว่าสันเสริญการปฏิบัติบูชาในเวลาที่พระองค์ใกล้จะเสด็จไปนิพพานในก้อนดอกไม้มาพระบูชาพระองค์เป็นจํานวนมากแต่พระองค์ได้กัดกับพระอานอนต์ว่าดูก่อนนานต์การบูชาของหมาจนเป็นจํานวนมากด้วยดอกไม้เคราสการ่านี้ยังไม่เชื่อว่าเป็นการบูชาแท้ แม่พระองค์ก่กัดว่าหาดูก่อนานนทิกสูปิกษุนีอุบาสกอุบาสิกาใดประพฤติธธ ร, รมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบิ้งปฏิบัติตามธรรมบาอยู่ผู้นั้นแหละได้ชื่อว่าสั ก, การะเคารพนับถือบูชาตถาคต ด, ด้วยการบูชาอันสูงสุดการบูชาด้วยวัตถุคือดอกไม้ถูกเตียนเครื่องสักการะก็เป็นการบูชาอย่างหนึ่ง แต่ว่าไม่เปรศเท่าปฏิบัติบูชากพรปฏิบัติบูชานั่นเป็นการฝึกกายวาจาใจของเราให้ถูกตรงตามหลักคําสอนของพระผู้มพระภาคเจ้าการปฏิบัติให้ถูกตรงตามหลักคําสอนนั่นเป็นการสืบศาสนาทําให้าศาสนาเจริญคําว่ า, าศาสนาเจริญนั่นจเจริญอยู่ที่อะไรไม่ใช่เจริญในทางวัตถุ เช่นเรามีวัดสวยๆงามๆมีเจดีย์ใหญ่ๆมีพระพุทธรูปใหญ่ยังไม่เป็นเครื่องหมายของความเจริญแท์ในทางประสาสนาถ้าคนในประเทศชาติเรายังไม่ประพฤติธธรรมยังไม่ตือสีอาะการให้เป็นการเรียบร้อยยังมีการพนันมีการเสพสิ่งเสพติดมีการเที่ยวกลางคืนมีการคบพัสมาคมกับเปิดช่เอเปินไร สรุปสร่ายในการจับจ่ายรับสมบัติเกียก้านการงานเบียดเบียนกันในทางกายเบียดเบียนกันในทางทรัพย์เบียดเบียนกันในเรื่องความรักความใคร่เบียดเบียนกันโดยการพูดยากโกหกปอกลมเข้าใส่กันแล้วก็ทำปัญหาให้เกิดขึ้นในชาติในบ้านเมืองแม้เราจะมีสิ่งที่เป็นวัตถุเต็มบ้านเต็มเมืองสิ่งเหล่านั้นก็ช่วยให้คนดีขึ้นไม่ได้ คนจะดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้มีการสั่งสอนอบรมจิตใจให้ก้าวถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เขาได้ปฏิบัติกายวาจาใจถูกตรงตามหลักธรรมะนั่นจึงจะชื่อว่าเป็นการบูชาแท้เราชาวไทยทั้งหลายผู้รักพระพุทธศาสนาควรจะได้ช่วยกันศึกษาช่วยกันปฏิบัติช่วยกันประกาศสิ่งถูกต้องทางพระพุทธศาสนา ให้คนเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องนั่นแหละเป็นการช่วยกันส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงในเรื่องเกี่ยวกับแม่ของเราก็เหมือนกันเราทุกคนเกิดจากแม่แต่อย่าเลมว่ามีพ่อด้วยเหมือนกันจึงควรจะพูดควบคู่กันไปว่าพ่อแม่เพราะพ่อแม่นี่เป็นผู้ให้กำเนิดแก่เราเราจะเกิดมาไม่ได้ ถ้าเราไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองคนเป็นผู้ที่สร้างชีวิตจิตใจให้แก่เราทั้งหลายท่านทั้งสองนั่นเป็นหวันกฤติพระเจ้าผู้ให้กําเนิดแก่เราไม่ใช่เพียงให้เกิดเฉยๆแต่ว่าได้ทําการเลี้ยงดูเราให้าการศึกษาแก่เราหางานให้เราทำํำหาคู่ครองที่สมควรให้หมากซับไพ่ไปต่างหน้าต่างตัว อันนี้เป็นหน้าที่ของท่านท่านนำทำหน้าที่สมบูรณ์แยบร้อยทุกประการเราจะมีชีวิตอยู่ได้จนกระทั่งปันี้เวลาใดที่มมเวลาว่าเช่นว่าวันนี้เราถือกันว่าเป็นวันแม่ราชการก็หยุดงานหยุดการเราไม่ต้องไปทำงานแา่เหมือนปกติเราอยู่กับบ้านหรือเราจะไปวัดไปว่ากพ่อฟังธรรมรักษาศีล ตอบแทนบุญคุณของคนแม่ด้วยการปฏิบัติบูชาก็ดีเหมือนกันแม่ควรจะมีเวลาที่ว่างว่างสักชั่วโมงหนึ่งเป็นอย่างน้อยนั่งสงบจิตสงบใจแล้วก็ตั้งปัญหาขึ้นตามตัวเองว่าใครเกิดเราบาใครเลี้ยงเราบาใครให้การศึกษาแก่เราใครให้ทรัพสมบัติแก่เราบรรดาความสุขสนุกสบายทั้งหลาย ที่เราได้รับอยู่ในเวลานี้มาจากกันเราตั้งปัญหาขึ้นถามตัวเองแล้วก็คิดตอบปัญหาถ้าตอบถูกต้องก็เรียกว่าสอบไดได้ถ้าตอบไม่ถูกก็เรียกว่าสอบไร้ตกในวิถีชีวิตทำแต่ที่ถูกต้องนั่นก็ไม่มีคำตอบใดริงไปกว่าตอบว่าคุณพ่อคุณแม่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแกเราเราจะพาในวันนี้เราก็นึกถึงคนแม่เป็นพิเศษ เพราะว่าคนแม่เป็นผู้อุมท้องเรามาตั้งสิบเดือนก็ลำบากกับกรรมพอสมควรตามธรรมชาติของผู้มีท้องใครที่ไม่มีท้องก็ไม่รู้เรื่องหรือ ว, ว่าผู้ชายนี่ก็ไม่รู้เรื่องแต่สุภาพตรีทั้งหลายที่ไม่เคยมีลูกก็ยอมรู้ในปนัญหาขอ้อนี้เราก็มาเนึกว่าสิบเดือนที่เราอยู่ในท้องของคุณแม่คุณแม่ต้องอดอะไรหลายอย่าง ต้องทนอะไรหลายอย่างต้องทําอะไรที่จําเป็นจะต้องทําอีกหลายเรื่องหลายอย่างเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้มีชีวิตสมบูรณ์ได้เกิดมาเป็นคนมีร่างกายสมบูรณ์มีอวัยวะสมบูรณ์มีสติปัญญาสมบูรณ์คนแม่เวลาตัต่างทองเนี่ <c oughs> ท่านก็จะไปไหว้พรนะตามสถานที่ต่างๆ ที่ใดก็ถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพ บ, บูชาของมหมาจนก็ไปไหว้ไปกราบขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเพื่อให้ลูกกรมที่อยู่ในท้องนี้มีความเจริญเติบโตออกมาด้วยดีมีอวัยวะสมบูรณ์มีสติปัญญาสมบูรณ์เรียบร้อยจะได้เป็นเกียรติเป็นสีแก่วงศ์คกุลต่อไปอันนี้คือเจตจำนงของคุณแม่ ที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไหวต้งแต่เริ่มต้นแล้วก็พยายามประกบประคองเป็นเวลาสิบเดือนเพืได้คลอดเราออกมาเป็นผู้เป็นคนเมื่อคลอดออกมาแล้วก็อาศัยการเลี้ยงดูรักษาด้วยดีจนกระทั่งเราเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่บางคนพาอแม่เกิดแล้วแม่ก็ถึงแก่คำไปเสียคนอื่นที่มีใจเมตตามีคุณธรรมองวามเป็นแม่ก็ได้เอาไปเลี้ยงดูไหว ให้เจริญเติบโตขั้นมาเจริญเติบโตขึ้นเกิดความรู้ว่าคนคนนี้ไม่ใช่แม่ของเราคนนี้ไม่ใช่พ่อของเรามีความรู้สึกกระด้างกระเดืองไม่เชื่อไม่ฟังไม่มีความสำนึกในบุญคุณของของคนที่เลี้ยงซึ่งเรียกว่าเป็นแม่เลี้ยงเป็นพ่อเลี้ยงของเรานั่นเขาระลึกถึงบุญคุณไม่ได้ทำการกระด้างกระเดืองแข็งข้อไม่เชื่อฟังคาสั่งคาสอน ทำให้ผู้เลี้ยงมีปัญหาทางใจเกิดความทุกข์ความแรรดดร้อนว่าเราเลี้ยงเขามาปูพักธนูถดดอมเขามาเลยแท้แต่เขาไม่สํานึกในบุญกุลอันนี้เป็นบาปเป็นโทษแกอเด็กปู่นั้นเราเราไม่มีแม่ติดแท้ไม่มีพ่อติดแท้แต่ว่ามีคนใดคนหนึ่งเอามาเลี้ยงบ้างก็เป็นพ่อเป็นแม่เหมือนกัน okay, <yeah. S 1> ความจริงคนเลี้ยงนั่นแหละเป็นคนสาคัญ คนแม่เกิดลูกแล้วไปเลี้ยงก็ได้แต่เพียงผู้ให้เกิดแต่ไม่ใช่ผู้เลี้ยงดูวามให้เกิดกับการเลี้ยงดูเป็นของผู้กันถ้าเพียงแต่ให้เกิดไม่มีการเลี้ยงดูมันก็ไม่มีความหมายของความเป็นแม่เป็นพ่อที่สมบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นคนใดเอามาเลี้ยงเราให้เติบโตขึ้นมาเราก็ควรถือว่านั่นแหละเป็นแม่ของเราเหมือนกันเป็นพ่อของเราเหมือนกัน เราควรเตารบควรสักการะควรบูชาต่อแม่พ่อคนลาวคนสองคนนั่นแม่วควรจะสนองความต้องการของท่านอย่ากระด้างกันเดือ่องอย่าแข็งข้อต้องเชื่อต้องฟังต้องทําให้ท่านสบาย อ, อกสบายใจมีเด็กหนุมคนหนึ่งเคยมาหาหลวงพ่อที่วัดแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยอาเรียนสําเร็จวิชาแล้วแต่ว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงผมมา ไม่ใช่พ่อแม่ของผมผมก็ไม่อยากกลับไปหาพ่อแม่คนสองกนนั่นเวลานี่ท่านให้จดหมายว่าให้ผมกลับบ้านจะทําการตรวจหน้านานค่าขายและจะหาคู่ครองที่สมควรให้ด้วยแต่ผมไม่พอใจผมไม่อยากจะกลับไปเพราะการตั้งสองนั่นไม่ใช่แม่ไม่ใช่พ่อของผมที่แท้จริงเลยก็ต้องอธิบายให้เด็กหนุ่มคนนั่นฟัง ว, ว่าพ่อแม่ของเธอตายหมด เธออยู่ในสภาพลาบากอานาถาได้ที่พึ่งแต่ว่าพ่อแม่ที่เอามาเลี้ยงไว้เนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเธอรักเธอเหมือนลูกแตนุถนอมให้การศึกษาระดัสมัธยมจนจบได้ปริญญาถ้าเธอไม่นักถึงบุญคุณของคนตั้งสองที่เลี้ยงเธอมานั้นเธอก็ไม่มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ขอโทษที่จะกล่าวว่า ก็เป็นเหมือนสักรเยรจารที่มันไม่รู้จักพ่อแล้วก็ไม่รู้จักแม่แล้วมันไม่คิดทำการตอบแทนจะเรียกว่าเป็นคนสมบูรณ์ได้อย่างไรเป็นการไม่ถูกต้องขอให้เธอคิดได้ดีว่าถ้าไม่มีคนสองคนนั่นเลี้ยงเธอมาเธอจะเป็นผู้เป็นคนได้อย่างไรแล้วก็เลี้ยงอย่างเหมือนลูกทุกประการไอการศึกษาเหล่าเรียนแล้วก็ยังคิดจะห้ต่างเนื้อต่างตัว ชิดหาคู่ครองที่สมควรให้แก่เธอคนอย่างนี้หาได้ที่ไหนนั่งใจอย่างนี้กควรที่เธอจะต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีเคารพ บ, บูชาต่อท่านทั้งสองนั่นในฐานะเป็นผู้เมตตากุลอยเนเอวของเธอเธอควรจะกลับไปบ้านไปทําทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ท่านทั้งสองต้องการเธออย่าทําอะไร ให้ท่านตั้งสองที่เลี้ยงเธอมานั่นต้องร้อนหกลอนใจต้องเป็นทุกขต่างใจเพราะการกระทําเจนนั่นเป็นบาปเป็นโทษเป็นจิตที่ไม่สมควรที่เธอจะกระทําพูดแนะนําเขาอย่างนั่นเขาเกิดความรู้สึกสํานึกตัวขึ้นมาเลยกราบแล้วก็บอกว่าขอบพระคุณหลงพ่อที่เคยชี้แนะแนวทางให้พรุ่งนี้ผมจะกลับบ้านแล้วจะไปทําทุกอย่างตามที่พ่อแม่ที่เลี้ยงผมมามีความต้องการ นั่นเขาเข้าใจถูกต้องเพราะเขาได้กล่าวหาพระได้ฟังเสียงพระเลยเกิดความสำเนึกขึ้นในจิตใจคนบางคนไม่ค่อยกล่าวต่อพระไม่ฟังเสียงพระก็เลยออกไปนอกลูปนอกทางเป็นคนใจต่ําเอเรเกกะทําลายตัวเองทําลายครอบครัวทําลายประเทศชาติให้เสียหายเป็นการไม่ถูกต้องเราจึงควรจะระคิดในก่อนนี้โดยเฉพาะวันแม่วันนี้ เราควรย่านึกถึงวระคุณของแม่นั่งนึกให้ละเอียดดั่งนึกไปชิดไปตาคิดไปนานนานท่านจะรู้สึกว่าตื้นตันใจบางทีน้ําตาจะไหลออกมาในเบ้าตาน้ําตาที่ไหลออกมานั่นเป็นน้าตาแห่งความเคารพบูชาสักการะที่เรานึกถึงท่านแต่เวลานี่ตัวท่านนั่นไม่มีแล้วทันถึงแต่จำไปแล้วเราอย่านึกว่าแม่ของเราตายไปแล้ว คนแม่ที่แท้จริงไม่ได้ตายไอ้ที่ตายนั่นเป็นร่างกายเป็นที่อาศัยของพระคุณของคุณแม่เท่านั้นเองร่างกายนี้เป็นของผสมไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ของถาวรต้องมีอันแตกสลายเป็นธรรมดาแต่ว่าสิ่งซึ่งทำคนให้เป็นแม่เนี่ยสิ่งนั้นหาได้ตายไม่ยังมีอยู่ต่อไปอยู่คู่ลูกต่อไปสิ่งนั้นคืออะไร ก็คกอตัวธรรมะที่ทำคนผู้หญิงให้เป็นแม่ทำคนผู้ชายให้เป็นพ่อแลยการสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งไม่ตายเป็นสิ่งที่จะอยู่ผู้ลูกต่อไปเราทั้งหลายทุกคนที่มีคนแม่เป็นผู้ให้กาเนิดมีคณพ่อด้วยนั้นเราจึงควรนึกว่าพ่อแม่อันแท้จริงของเรานั้นไม่ได้ตายจากลูกนี้ไปแต่จะอยู่กับลูกต่อไป เราก็ควรนึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็คือตัวธรรมะหรือเรียกว่าพระธรรมอันเป็นหลักคําสอนในทางพระศาสนาพระธรรมนี้เป็นสิ่งที่ทําคนให้เป็นอะไรอะไรให้เป็นคนที่ดีเป็นคนเจริญเป็นคนเก่าด่าในชีวิตการงานคนเราเกิดมาเฉยเฉยยังไม่เป็นอะไรจะว่าดีก็ไม่ได้จะว่าชั่วก็ไม่ได้แต่ถ้าพอมีธรรมะเข้าไปอยู่ในใจ เราก็เป็นคนดีเป็นคนเจริญถ้าไม่มีธรรมะเข้าไปหล่อเลี้ยงจิตใจเราก็เป็นคนตกต่าทำความเสียหายให้แก่ตนแก่ท่านด้วยประการต่างๆธรรมะจึงเป็นสิ่งที่ทำคนให้เป็นคนสมบูรณ์ว่าเป็นคนสมบูรณ์การงานก็สมบูรณ์ความสุขก็สมบูรณ์อะไรอะไรก็สมบูรณ์ตามไปด้วย ผู้หญิงที่แด้นามว่าเป็นแม่ก็ดีผู้ชายที่แด้นามว่าเป็นพ่อก็ดีท่านมีธรรมะของความเป็นพ่อของความเป็นแม่พรธรรมะนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่สูญหายไปจากโลกนี้เป็นสิ่งที่อยู่กับโลกถาวรตลอดไปจะยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเมื่ออะไเป็นพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แปลว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสเพราะได้สัมผัสกับตัวธรรมะที่เป็นความจริงความแท้เมื่อน้ำประใจของพระองค์ได้สัมผัสกับตัวธรรมะนั้นพระองค์ก็หลดท้นจากความทุกข์ความแดดร้อนโดยประการทั้งบวงดับเกินอิเลสเพิงทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงไม่มีความทุกข์ความแดดร้อนเกิดขึ้นในใจต่อไปไม่พอเาราที่เป็นปุถุชน จิตใจยังไม่ได้สัมผัสกับสิ่งนั้นเราจึงมีรักมีเกลียดมีโลภมีกลงมีอะไรอะไรด้วยประการต่างๆจิตใจเรายังอยู่ในวงจรของกิเลสบางคราวมันก็มีบางคราวมันก็ไม่ดีแต่ว่ามันก็มีกิเลสเกิดขึ้นบ่อยๆทําให้ชีวิตต้องตกต่าแต่ชีวิตของพระอรหันต์ซึ่งมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตนนั้นท่านไม่ไม่เวียนกลับมาสู่ภาวะ ของคนมีกิเลสติดต่อไปแต่ภาพจิตของท่านสะอาดอยู่สว่างอยู่สงบอยู่ตลอดเวลาพระองค์จึงได้นําสิ่งนั้นมาสอนแก่ประชาชนให้ประชาชนได้รู้ได้เข้าใจได้นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันต่อไปในขั้งกระโน้นถือว่าพระองค์ยังดํารงประชาชนชีพอยู่นั้นประชาชนได้เข้าถึงธรรมะได้บรรลุมรรคผลเป็นกระโซดาบ้าง สกิทาคามีอ น, นาคามจนถึงพระอาหารหันต์เป็นจํานวนไม่ใช่น้อยเพราะว่าได้เข้าถึงธรรมะของพระองค์แต่ ร, ร่างกายของพระองค์ก็เหมือนกับร่างกายของคนรองตัวตัวไปประกอบด้วยธาตุ ส, สี่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพชีวิตของพระองค์ก็มีความแก่ตามสภาพของร่างกายแต่ว่าใจของพระองค์ไม่ได้โตไม่ได้มีความทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย สภาพาปิดกงที่อยู่ตลอดเวลาแต่ร่างกายเปลี่ยนแปลงแล้วก็เสด็จปรินิพพานดับขันดับปรินิพพานไปในวันเป็นเดือนหกเมื่อปศก่อนพศหนึ่งปีที่กุสีนาราในประเทศดินเนียโนนในวันที่พระองค์จะเสด็จปรินิพพานนั่นแหละพระอานนอนได้นั่งอยู่ใกล้ๆคฝ้าดูพระอาการของพระผู้มีพระภาคพรอานอนเป็นคนช่างคิดจังตรอง าในเรื่องอะไรต่างๆท่านก็คิดว่าพระผู้มีพระภาคจ ะ, ะเสด็จประนิพันธแล้วเวลามีน้อยเต็มทีแล้วเรา ถ, าถา้าไม่ถามเดี๋ยวก็ถูกใครๆต่อว่าว่าอยู่ใกล้แล้วทําไมไม่ถามเรื่องนั่นเรื่องนี้ก็จะเป็นการเสียหายเลยทูลถามปัญหาอะไรหลายเรื่องหลายอย่างพระผู้มีพระภาคก็ได้กัดตอบปัญหาอันนั้นแก่พระอานนทุก ป, ประการมีปัญหาข้อหนึ่งที่สําคัญมาก ที่เราชาวพุทธในยุคปัจจุบันควรจะศึกษาควรจะทำความเข้าใจควรจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันคือพระอานนท่านถามว่าเมื่อพระองค์ยังดำรงพระชนอยู่ภิกษุภิกษุณีอุปาสกุปาสิกาได้เข้าเฝ้าได้ฟังธรรมได้ถือเอาพระองค์เป็นศรัทธาคือเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้นาทางด้านจิตใจท่านเมื่อพระองค์เสด็จไปนิพพานไปแล้ว พระองค์จะทรงตั้งบุคคลใดให้เป็นตัวแทนพระองค์ต่อไปกานนถามีความหมายมากเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากพระผู้มีพระภาคไม่ทรงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เป็นตัวแทนพระองค์ทำไมไม่ทรงตั้งบุคคลเป็นตัวแทนเพราะว่าคนเรานี่มันเปลี่ยนแปลงได้แล้วอาจจะสร้างปัญหาได้มีความยุ่งได้คนในสมัยยุคพระพุทธเจ้าไม่ค่อยยุ่งเท่าใด แต่คนในสมัย500ปีหลังปรินิพพาน1000ปี2000ปีมีความยุ่งมีความมุ่นวายโดยเฉพาะคนในสมัยนี้มีปัญหามีความวุ่นวายมากจิตใจตกต่ำอยู่ในอำนาจของติเลถ้าหากว่าคนใดได้เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าโดยการแต่งตั้งคนนั้นก็จะเกิดเป็นบุคคลที่ใครๆก็อยากจะเข้าใกล้อยากจะเชิญในไปทานั่นในไปทานี่ ถือว่าเป็นสิริมงคลภายนอกด้วยประการาต่างๆแล้วก็อาจจะแย่งตําแหน่งกันตําแหน่งตัวแทนพระพุทธเจ้าก็จะเกิดปัญหาทำความเสื่อมเสียแล้วตัวแทนพระพุทธเจ้ายังมีกิเลสก็อาจจะใช้กิเลสนั่นไปทําอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรให้เกิดขึ้นแก่ระศาสนาอาจจะบัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ไบัญญัติไว้อาจจะทําลายสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้แล้วก็ได้ อา จ, จะเป็นการ น, นามาถึงความเสื่อมสูญแก่พระศาสนาจึงไม่ส่งตั้งบุคคลเมื่อไม่ส่งตั้งบุคคลส่งตั้งอะไรก็ะองได้กัดแก่พระอานอนว่าโยคู่อาณันะทะธรรมโมจะวินัยโยจเดชิโตสู้มามัจเจเนสัต tha มาอานอนเอ๋ยธรร ม, มวินัยอันใดที่เราสแสดงแนวบอกแล้วบัญญัติไว้แล้วแก่เธอทั้งหลายธรร ม, มวินัยนั่นแหละ จะเป็นศาสดาแทเนเราต่อไปอันนี้เป็นเครื่องแสดงว่าธรรมะเป็นสิ่งไม่ตายเป็นสิ่งที่มีอยู่คงอยู่ในโลกนี้ตลอดเวลาผู้ใดสนใจศึกษาสนใจปฏิบัติผู้นั้นก็จะเข้าถึงธรรมะและจะได้รับประโยชน์จากธรรมะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อตัวธรรมะไม่ตายพระคุณของคุณแม่ก็คือตัวธรรมะความงามความดีที่อยู่ในใจของแม่นะั้นเป็นตัวธรรมะ ตัาธรรมะนั่นเป็นสิ่งไม่ตายยังคงเหลืออยู่ต่อไปเราทําการชาปนกิจสิริระร่างกายของคนแม่ที่ถึงแก่กรรมเผาได้แต่ร่างกายแต่เผาความเป็นคนแม่ไม่ได้คือเผาธรรมะไม่ได้ธรรมะนั่นเราจะเผาเสียไม่ได้แต่ว่าเราควรจะทําอย่างไรเราควรจะถ่ายทอดธรรมะนั่นมาใส่วาในจิตใจของเราเอาธรรมะของความเป็นแม่นั่นแหละ มาใส่ไว้ในใจของเราทำใจของเราให้เป็นเช่นนั้นก็เหมือนกับว่าคุณแม่อยู่กับเราตลอดไปไม่ได้จากเราไปเราประพฤติทำที่คุณแม่มีอยู่เราก็มีธรรมะของคุณแม่เราก็เหมือนกับมีคุณแม่อยู่ในใจของเราคุณแม่อยู่กับเราคนใดมีคุณแม่อยู่กับตัวคนนั่นจะไม่ตกต่าจะไม่ไปสู่อาบายเธอจะไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เป็นสัตว์นรก ไม่เป็นเปรไม่เป็นอาสุรกายไม่เป็นผีแต่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมอยู่ตลอดเวลาคนนั่นจะไม่มีใจตกตำ่ำเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่เป็นลูกเมื่อมาถึงวันของแม่เช่นวันนี้เราทั้งหลายคนจะนึกถึงพระธรรมของแม่แล้วเอาคุณธรรมของแม่นั่นแหละมาใส่ไว้ในใจของเราอย่าให้ใจเราดกอยู่โดยไม่มีต่คุณแม่ ให้คนแม่อยู่กับเราตลอดไปก็ประธรรมของความเป็นแม่นั้นมีอะไรบ้างในทางพระพุทธศาสนาถือว่าแม่นี้มีตาแหน่งหลายอย่างคือเป็นครูคนแรกของบุติดาคนแม่นี่เป็นครูของบุตติดาคนแม่เป็นภรมของบุตติดาคนแม่เป็นเชวดาของบุติดาแล้วคณแม่มีคุณค่าเทียบเท่ากับพระอรารหันในพระพุทธศาสนาของบุต ธ, ธิดาก็ว่าได้ อันที่ว่าคุณแม่เป็นครูของบททีน่านั้นถ้าเราได้รับคำสอนจากคุณแม่ในเรื่องต่างๆสอนให้รู้จักนั่งให้รู้จักเดินให้รู้จักยืนให้รู้จักพูดจาด้วยวาจาอย่างนั้นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราได้รับจากคุณแม่ลูกของแม่ใดกริยาอาการเป็นการพูดจาคล้ายแม่คนนั้นถ้าเรารู้จักแม่แล้วมาเห็นลูกของคนแม่ เราอาจจะนึกว่าเออคนนี้ก็น่าจะเป็นลูกคนนั้นเรานึกทายในใจที่ทายเช่นนั้นก็เพราะอะไรเพราะว่ากิริยาท่าทางแสดงออกมันคล้ายๆกับคุณแม่คนนั้นลูกไม้ด่อนไม่ไกลต้นนี่เป็นคําพังเพยเก่าคนไทยว่าว่าตั้งแต่โบราณลูกคนก็เหมือนกันเหมือนเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ทิริยาท่าทางบางคนก็ไลยพ่อบางคนก็ไล้ายแม่ไม่ได้แตกต่างไปจาก จากแม่เท่าใดนี่เป็นการถ่ายทอดกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นครูคนแรกของเราแล้วเรามีครูสอนหนังสือสอนเมฆสอนวิชาการต่างๆให้เรามีความรู้ความเข้าใจครูอื่นๆนั่นเป็นครูชั้นสอชั้นสาแต่ครูชั้นหนึ่งของเราก็คือพ่อแม่ของเรานั่นเองโดยจะพ่อแม่เป็นครูมากกว่าพ่อเพราะว่าพ่อในไม่ค่อยอยู่บ้านออกไปทํางานทําการ แต่ว่าแม่นั่นอยู่กับลูกตลอดเวลาคอยเฝ้าดูแลเอาใจใส่ลูกก็จะได้เห็นแม่ากล้ อ, องถ่ายรูปของลูก ค, คือใจของลูกเหมือนกับกล้องถ่ายรูปก็ได้ถ่ายรูปของคนแม่กิริยาท่าทางการพูดการจาอะไรทุกอย่างว่าในจิตใจต้องหมดนี่แหละท่านเป็นครูของเราอย่างนี้คนแม่ท่านมีคนทํามของความเป็นครูคนแม่เป็นพระพรหมของบุตรที่ดา พระพรหม น, นหมายถึงอะไรคนเราที่นับถือพระพรมก็ไปไหว้พระพรมนูน่นไปไหว้พระพรหมหน้าโรงแเรียนเมราวันนู่นหรือว่าตามบ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้ก็มีรูปพระพรมทั้งนั้นแทนที่จะแทนที่จะมีพระพุทธรูปไว้ในชุมตามบา้านแต่ไปรูปมีรูปพระพรมพระพรมนั่นไม่ใช่ของพระพุทธศาสนาแต่เป็นของศาสนาฮินดูพวกฮินดูก็นับถือเทพเจ้า เคย น, นับถือพระพรมนับถือพระศิวะนับถือพระวิษณุแต่ว่าคนในอินเดียนี่นับถือพระพรหมน้อยเขานับถือพระศิวะมากนับถือพระวิษณุมากถ้าอยู่ในแถบจอรดอนใกล้ภูเขาเขานับถือพระศิวะถ้าอยู่ริมทะเลเขานับถือพระวิษณุพระวิษณุแก่อยู่ในทะเลแล้วก็อวตารมาเป็นพระนารายณ์ปรากยุคเกณฑ์ เราอ่านเรื่องรามเกียเ น, นเล่นโขนเล่นละครอะไรกันอยู่นั่นแหละตอนนับถืออย่างนั้นแต่ในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราทรงเปลี่ยนตัวพระพรหมที่บุคคลสมมติให้เป็นธรรมะเคยมีพรามคนหนึ่งไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าพระองค์รู้จักพระพรหมไหมพระพุทธเจ้าตอบวันที่วารู้จักพระองค์รู้จักทางที่จะไปหาพระพรหมไหม ก อ, องก็ตอบทันทีว่ารู้จักเขาก็ถามต่อไปว่าพระพรหมคือใครพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าใครก็ได้ถ้าว่ามีธรรมะสี่ประการประจําใจก็เรียกว่าเป็นพระพรหมธรรมะสีประการนั่นคือมีเ ม, มตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่ผู้อื่นมีความการุณาทนไม่ได้เมื่อเห็นใครมีความทุกข์มีความเหนือดร้อนต้องเข้าไปช่วยเหลือเรียกว่ากรุณา หามีความพอหยินดีเบิกบานใจเมื่อคนใดมีความเจริญมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จในชีวิตในการงานเรียกว่ามุติตาแล้วก็บประการสุดท้ายเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาในหมายความว่าคอยดูอยู่คอยฟังอยู่คอยคิดตามอยู่ในเรื่องนั้นๆเมื่อยังไม่มีอะไรจะไปเข้าไปช่วยเหลือก็ดูดูไปก่อดเหมือนกับว่าลูกไปอยู่บา้บานไกลบ้านไกล คนพ่อคนแม่ก็เป็นร่วงคอยถามข่าวถามขา่าวแต่ใครมาจากเบื้องนั้นก็ถามเออเห็นลูกฉันไหมพบลูกฉันไหมลูกฉันเป็นยังไงมีความสุขมีความสบายดีอยู่หรือเปล่าอย่างนี้เรียกว่าอยู่ในสภาพอุเบกขาหรือเพ่งดูจ้องดูอยู่แต่ถ้ามีเรื่องอะไรที่จะต้องใช้เมตตาก็ใช้เมตตามีอะไรที่จะใช้กรุณาก็ใช้ความการุณามีอะไรที่ต้องใช้มุติตาก็ใช้มุติตา ลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะของพระพรมคุณแม่คุณพ่อของเราทั้งหลายนะเป็นพรมของบุตรธิดาเราจะไปไหว้พระพรหมนี่ไม่ต้องไปไหว้ถึงหน้าโรงแรมเอราวันไม่ต้องไหว้พระพรหมรูปปั้นที่เขาสร้างขึ้นเป็นวัตถุแต่เราไหว้คุณแม่คุณพ่อของเรานั่ น, นี้ตื่นแต่เช้าเราเข้าไปกราบบนตักของคุณแม่ไปกราบที่ตักของคุณพ่อ แสดงความรู้สึกอิ่มบกินใจกล่าวคำว่าสวัสดีคุณแม่ครับสวัสดีคุณพ่อคะ่ะอะไรต่างๆอย่างนี้ร็เรียกว่าเราเข้าไปหาพระพรหมคือพ่อคือแม่พระพรหมคือพ่อแม่นี่แหละให้อะไรแกเราได้เราต้องการเงินสักร้อยไปขอพระพรหมหน้าโรงแรมีราวันคงไม่ได้หรือไปขอพระพรหมตามบ้านหยดสรนก็คงไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปแ บ, บมือขอคุณแม่ ก็คงจะได้สักร้อยบาทจะขออะไรอีกก็ได้เด็กดือลูกชาย ห, หนุ่มกำลังขนองขอรถมอเตอร์ไซค์จากคุณแม่สักคันหนึ่งเอาไปขี่เล่นในคอขัดได้ไวๆก็ยังได้เลยคุณแม่หายทั้งนั้นแหละคุณแม่นี่ ก, กาเป็นที่เป็นบมอกเกิดแตง่งทรัพย์สมบัติของลูกลูกต้องการอะไรก็ได้ท่านเป็นธนาคารของลูกเป็นธนาคารที่ไม่มีวันปิดเปิดอยู่ตลอดเวลา ไปขอเวลาใดก็ได้ไม่ต้องใช้บัตร ATM อะไรนะเตียงแต่แ บ, บมือไปขอกราบขอท่านก็ให้แก่เราทุกสิ่งทุกประการนี่แหละคือพระคุณของแม่ที่ปรากฏอยู่ในใจของเราทั้งหลายท่านมีเมตตาธรรมประจังใจมีกรุณาพอรู้ว่าลูกมีความทุกข์มีความแดดร้อนท่านต้องมาช่วยเหลือก่อนไก่ๆมาช่วยให้ลูกหายทุกข์หายร้อนแต่ถ้าลูกมีความสุขมีความเจริญ สอบได้ได้ปริญญาคนพ่อคนแม่ก็ดีใจว่าลูกสําเร็จการศึกษาถ้าไม่มี อ, อะไรก็คอยสนระฟังข่าเอาหูใส่เอาใจวังคอยดูคอยฟังอยู่ว่ามีอะไรอเกิดขึ้นบ้างมีอะไรพอจะช่วยเหลือได้บ้างคนพ่อคนแม่ก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือเราทันทีคุณทำสีประการนี้เป็นธรรมะที่อยู่ในใจของคนแม่ คนพ่อจึงได้ชื่อว่าเป็นพระพรหมของลูกเราพูดนับถือพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปไหว้พระพรหมที่เขาปั่นว้แต่เราไหว้พระพรหมที่นั่งอยู่ที่บ้านว่าพระพรหมคือพ่อไหว้พระพรหมคือแม่แล้วเราก็เอาพระพรหมนั่นมาไหว้ที่ตัวของเราด้วยถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเราตายไปแล้วเราก็อันเชิญพระคุณของคุณพ่อคุณแม่มาใส่ไว้ในใจของเรา ให้อยู่ด้วยน้ำใจเมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่เพื่อนมนุษย์ตลอดตลอดหลายตลอดจนถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายเราอยู่ด้วยความการุณาถ้าใครมีความทุกข์มีความเดือดร้อนมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราอย่าเป็นคนเฉยเมย อ, อย่าเป็นคนใจจืด อ, อย่าเป็นคนใจดำมีอะไรพอจะช่วยใครได้เราช่วยมีอะไรเหลือกินเหลือใช้ จะแบ่งให้เพื่อนฝูงได้กินได้ใช้บ้างให้เพื่อนบ้านใกล้เรือนเชียงได้กินได้ใช้บ้างเราก็แบ่งสิงนั่งให้ไปอย่างนี้เรียก ว, ว่าเรามีน้ำใจกรุณาเวลาเพื่อนบ้านเรามีความสุขมีความเจริญอย่าไปริษยาอย่าไปแสดงความไม่ยินดีกับเขาเหล่านั้นอย่าไปทำลายเขาแต่เราควรจะช่วยกันแสดงความยินดีปรีดาไปพูดว่าอขอแสดงความยินดีด้วย ที่ท่านได้สิงนั่นสิ่งนี้ได้มีความสุขมีความเจริญได้มีความก่าวหนาในชีวิตในการงานแสดงโดยน้ำใจอันแท้จริงเรียกว่ามูทิตาตัวเมตตานี่ทำลายความโกรธ ค, ความเกลียตตัวกรุณาก็ทำลายความกตี่ที่เหนียวให้หมดไปจา ก, กจิตใจตัวมุทิตาก็ทำลายความริษยาไม่ให้เกิดขึ้นรบกวนจิตใจของเราตัวโอเบกาทำลายความเห็นแก่ตัวให้หมดไป เห็นแก่ลูกแก่หลานเห็นแก่คนบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างนี้เรียกว่าเป็นคุณทํากของแม่โดยเฉพาะในวันแม่คือวันนี้เรามาช่วยกันสร้างคั่งคุมไวใ้ในใจของเราสร้างความเมตตาปราณีให้เกิดขึ้นสร้างความกรุณาให้เกิดขึ้นสร้างตัวมุทิตาให้เกิดขึ้นสร้างคุณทํามกรุเบขาให้เกิดขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสาคัญที่เราจะต้องช่วยกันกระทำในเวลานี้คือความสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่เขาเรียกว่ามีความกตัญญูมีกตเวทีต่อพ่อแม่คนที่มีความกตัญญูกตเวทีนั้นเพราได้คิดบ่อยๆคิดว่าท่านเกิดเรามาท่านเลี้ยงเรามาท่านให้การศึกษาแกเราท่านให้บ้านเรือนอยู่อาศัยให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ชีวิตความเป็นอยู่ของเรานี่ได้มาจากเจ้าประคุณคือคุณแม่ของเราน่นเองเราก็ต้องระลึกตอบแทนบนคุณของท่านบนคุณของพ่อแม่เราจะตอบแทนอย่างไรตอบแทนด้วยการตั้งใจที่จะประพฤตความงามความดีอย่ากระทําสิ่งใดที่เป็นความชั่วความร้ายในวันแม่อย่างนี้เราควรจะได้พิจารณาตัวเองถามตัวเองว่าเรามีความชั่วอะไรอยู่ในตัวของเราบ้าง เราเป็นนคนชอบเล่นการพนันหรือเปล่าเราชอบเสพสิ่งเสพติดมันเมาหรือเปล่าเราชอบเที่ยวกลางคืนหรือเปล่าเราคบเพ่นชั่วเพ่นร้ายหรือเปล่าเราเป็นคนสรุ่ยสร่อยจ่ายทรัพยส์สินเงินทองสิ้นเลื่ยงจนเป็นหนี้เป็นสินต้องจ้ำนำบ้านจองเรือกสวนไรนาหรือเปล่าเราเป็นคนขี้เกียจเหล้วไหลในการทำงานในหน้าที่ของเราหรือเปล่าเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณา เราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ก็ต้องพิจารณาตัวเองตัเกเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองเพื่ออะไรเพื่อปรับปรุงตัวเองของเราให้ดีขึ้นทำชีวิตของเราให้ดีให้เจริญให้รอำนามต่อไปเป็นเรื่องที่เราควรจะกระทำบ่อยๆในเรื่องอย่างนี้ความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าเราพบว่าเรามีสิ่งไม่ดี เช่นเราเป็นคนชอบเล่นการพนันไปเที่ยวสนามมากไปแทงมากหรือว่าแทงโอยแทงเบอร์เล่นแช่เล่นอะไรกันบ่อยๆมันก็เกิดความเสื่อมแก่ชีวิตของเราไม่มีความเจริญก้าวหน้าไม่นอกงามในเรื่องความงามความดีเราก็ควรจะเลือกละจากสิ่งนั้นในวันแม่วันนี้มาเลือกเล่นการพนันถ้าเราเป็นคนชอบเสพสิ่งเสพติดมันเมาเช่นว่าชอบดื่มสุราเมรัย ชอบสุบรีไอ้เรื่องของเมาเนี่ยมันมีสามเมาด้วยกันคือว่าสุราคำหนึง่งเมไรัยคำหนึง่งมัชช่าคำหนึง่งในศีลห้าที่เรารับมาจากพระนะ่ยมันมีท่าฟาวคำอยู่สามคำคือสุราเมรมัต ช, ชา่าสุราก็คือเล้าที่ต้มกลั่นเรียบร้อยใสขวดจิตลาสวยงามอยู่ในขวดนี่ไม่เป็นไรแต่ว่าเทออกจากขวดเข้าต้องใครแล้วมันก็เปลี่ยนนิสัยก่นนั่นทันที ทำให้คนนั่นเปลี่ยนสภาพอยากสุภาพกลายเป็นไม่สุภาพอยากความเย็นายเป็นความร้อนจากความมาดีกลายเป็นความไม่ดีไม่งามขึ้นมาทันทีเเรียกว่าน้าเปลี่ยนนิสัยร้อนเมรัยนั้นเป็นกอเบามันกันแต่ไม่ได้ต้มไม่ไดกลัน่นเอามาหมักมาดองมาแช่ไว้เก็บน้ําตามกำหนดขึ้นมาเช้ากินเช้ามันก็หวานอร่อยดีแต่ทิ้งไว้จนมายสภาพมันก็เปลี่ยนไปเป็นเมร เร็วก็ไปก็กลายเป็นน้ำเบาทำลายสภาพชีดจิตใจไดไ้เรียกว่าเมรัรมัตชะคือสิ่งเสพติดเช่นบุรีกัญชาขวัญเรามาผิดเป็นเรโรอีนเป็นผงขาว <c oughs> เป็นของเสพติดใบไม้เช่นใบกระท่อมใบกัญชาก็เป็นสิ่งเสพติดยาบางประเภทที่มีขายในตลาดคนพวกสิดลออชอบเอาไปกินกันเราเรียกว่ายามา่า เอามากินแล้วมันทําให้ตาแข็งนะขับรถไปได้แต่ว่าพอหมดฤทิ์ยามก็ง่วงซึมทันทีเกิอดอุบัติเหตุจนกันบ่อยๆประเทศไทยเรานี่พวกขับรถสิบล้ อ, อ ก, กินยามากขับรถถ่วงกินยามากจึงได้เกิอดอุบัติเหตุไอ้ทิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งเสพติดได้ถุนทางนั้นเราควรจะลดเบ้นโดยเฉพาะบุรีก็ อ, อย่าสูบ ด, ดีกว่าสูบทําไมลองถามตัวเองว่าสูบทําไมสูบเพื่ออะไร สูบแล้วมันได้อะไรธรรมชาติของร่างกายต้องการพันบุหรี่ไปรมปอด ใ, ให้มันเหี่ยวแห้งให้มันปองแล้วไม่ยุบหรือไม่ก็เป็นโรคหลุดออกมาเกิดจากการสูบบุหรี่สุราพวกเหมือนกันเราถามว่าเดิมทําไม่เดิมเพื่ออะไรเดิมแล้วมันจะได้อะไรธรรมชาติของร่างกายต้องการ น, น้าสุราเมรัรหรือไม่เราถามอย่างนั้นแล้วก็คิดคิดแล้วก็เห็นว่าเออไม่ได้เรอกเราโง่มานานแล้ว เรามาฉลาดกันเสียในวันแม่สักหน่อยแล้วก็เลือกเืิมสุรามีไรเลือกสุบรีของเสดติดทุก ป, ประเภทไม่มีเราก็ประหยัดเงินต่อหน้าตัวอย่างเช่นคนสูบุหรีวันหนึ่งต้องจ่ายเงิน15บ้าบาทซื้อบุรีหนึ่งซองสิบห้าบาทต่อวันเดือนหนึ่งสาสิบห้าวันสิบห้าสามสี่สิบห้าชิ้นเงินไปเดือนละ4ี่อยห้าสิบาทถ้าเพิ่มขึ้นวันที่สามสิบก็เพิ่มอีกสิบห้าเป็นสี่รยห้าสิบห้าบาท สรุปเราไม่ได้เรื่องอะไรไปซื้อของเป็นพิษก็มาพ่นใส่คอตัวเองออลมปอดตัวเองให้มันเสียหายอันตรายลงไปตอนนั้นแต่งูอยู่ทำไมพี่น้องทั้งหลายฉลาดกันเสียบ้างแล้วก็มาเล่กสิ่งเหล่านี้ในวันแม่ของเราเนี่ยก็จะได้ชื่อว่าเป็นการเคารพแม่เป็นการบูชาแม่ด้วยการปฏิบัติในทางที่ถูกที่ชอบเราชอบเที่ยวกลางเืนหรือไม่ สัตเอกสารมีก่อคำแล้วมันกลับรวงรังทั้งหมดนอนในดังเงียบพอเช้ายังไม่ทันสว่างก็ตืน่นแล้วร้องเรียกกันเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าที่วัดเจริญานมีนอกอยู่หลายชนิดมานอนตามกอะไปกลางคืนพอเช้ามันก็บินไปธรามากินต่อไปกลับมามันก็มารวงมารังมันไม่ไปเที่ยวปลาเที่ยวไนท์กลับหรือ ว, ว่ามันไปเที่ยวหาท่าที่ต่างๆแต่คนเราเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ประเสริฐ จะเรินกว่าถัเดเอาจารทำแล้วไม่อยู่บา้านไปเที่ยวบา้าเที่ยวอันตรานเต้นรำดิสโก้เทคอะไรต่างๆตามที่เขาจัดไว้ไอสถานที่เรานั่นก็จัดไว้สำหรับคนปัญญาอ่อนไม่ใช่คนที่มีปัญญามีความคิดถูกต้องไปเที่ยวไปเล่นเราไปกันทําไมถามตัวเองว่าไปทําไมไปเพื่ออะไรไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมาถ้าเห็นว่าไปแล้วไม่ได้เรีอบไม่ได้อะไรไปทําไม ทำแล้วกลับบ้านผู้ชายทางานทำแล้วกลับบ้านผู้หญิงทํางานก็กลับบ้านบ้านคือวิมานคือสวรรค์ของเราเรามาอยู่ที่บ้านมาทํามาหารเลี้ยงดูกันนั่งดูโทรทัศน์ด้วยกันฟังวิทยุด้วยกันมีโอกาสที่จะอบรมลูกในขณะดูโทรทัศน์ก็ได้ในขณะฟัง ว, วิทยุก็ได้แนะนํำสั่งเตือนเอาสิ่งนั้นเป็นบทเรียนเป็นเครื่องเตือนใจอบรงสั่งสอนลูกเต้า ไม่มีความเข้าใจในเรื่องอะไรถูกต้องนี้หรือไม่แต่เราทําอย่างนี้มันก็ดีขึ้นในวันแม่จึงเป็นวันที่ควรจะได้ว่าเราเคยเที่ยวกลางค่ากลางคืนหรือเปล่าถ้าคุณแม่อยู่เราไปเที่ยวนี้ท่านเป็นทุกข์ท่านเป็นอ้วงว่าป่านนี้มันไปไหนทาไมยังไม่กลับมาหรือว่าจะมีอันตรายถูกตํารวจจับไปถูกสิบล่อจนตายคุณแม่ก็เป็นอ้วนสร้างความทุกข์ให้แก่คุณแม่แต่ว่าคุณแม่ไม่มีแล้ว เราก็ต้องเป็นห่วงตัวเองแต่เรารักคนแม่แต่ถ้งแม่ว่าท่นานไม่อยู่ธรรมะของคนแม่ก็ยังอยู่เราก็ควรนึกถึงไะทําถ้าทําคือความงามความดีที่อยู่ในจิตใจของแม่ถ่ายทอดมาไหวในจิตใจของเราแล้วการเป็นอยู่การจัดบยายนายซ้อยเฮ้ยว่าเราก็เพื่อนชั่วหรือเปล่าก็เพื่อนชั่วในเพื่อนก็จงประดานางชั่วครอบขนเช่นใดก็จะเป็นเช่นคนนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างนั้น จนเราไม่เคยดื่มสุราเมเลยไปคบกับเพื่อนนักดื่มก็ดื่มเป็นดื่มเก่งซะด้วยเราไม่เคยเที่ยวกลางคืนคบกับคนเที่ยวกลางคืนอมาพาเราไปเที่ยวกลางคืนเราไม่เล่นการพนันไปคบกับนักเลนการพนันเขาก็ชวนเราไปเล่นการพนันเราเป็นคนประหยัดใช้จ่ายอย่างประหยัดพอไปคบเพื่อนสุรุยสุรายก็ต้องจ่ายแข่งกันแล้วก็จนกรอบไปตามตามกันเราเป็นคนขยันทํางาน ไปคบกับคนเกียรติขัน้นเราก็กลายเป็นคนเกียรติขันเหนือใดนี่เรียกมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะั้นในวันแม่นี่ยถ้าเราระลึกถึงบลคุณของคุณแม่นึกถึงธรรมะที่อยู่ในใจของแม่แล้วก็เอาธรรมะนั้นมาใส่ไว้ในใจของเราทําตนให้เป็นคนดีปลอดอบ า, ายะมกุกเลือกลดละจากความชั่วความร้าด้วยประการตั้งๆเราเรียกว่าเรารักคนแม่ของเราเรานึกถึงพระคุณของคุณแม่ แล้วเราก็สนองตอบแทนโดยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแนวทางเหล่านี้เราก็จะมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าอีกประการหนึ่งถ้าเรารักคนแม่รักธรรมะของคนแม่เราช่วยกันรักษาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่จีวิตของคนและสัตว์ทั้งหลายเกยดช่วยกันรักษาสิ่งแวดลอ้อมยาทาบ้านเมืองให้สกัก คนในกรุงเทพช่วยกันทำลำกลองให้สกัดปลกไฟมดัดน้ำนาวเหม็นไปหมดแน่เวลานี้ใครเป็นคนทำให้น่าวให้เหม็น <c oughs> ก็พวกเราทั้งหลายนั่นแหละตัวช่วยกันทิ้งขยะมูลฝอยทิ้งถิ่งโสโครกลงไปในแม่น้ำลำกลองแล้วทิ้งขยะบนถนนน้ น, นทางตามสวนสาธารณะซึ่งเขาทำไม่สะอาดเรียบร้อยเราก็ช่วยกันทำลายพวกที่หากินต่างป่าก็ทำลายป่า ไม่เขารพป่าไม่กระตัญญูกตเวทีต่อป่าไม้ที่เราได้อยู่ได้หาใจอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการไม่ถูกต้องป่าก็เป็นแม่ของเราภูเขาก็เป็นแม่ของเราแม่น้ําก็เป็นแม่ของเราเหมือนกันก็ให้อะไรแก่เราไม่มีป่าจะมีน้าได้อย่างไรไม่มีน้ําเราจะอยู่กันได้อย่างไรสมมติว่าป่าพัดน้ำถูกตัดมดแม่น้ําจะประหยาัาจีงแม่กลองก็เกิดแห้ง ไม่มีหน้าไม้เราได้กินได้ใช้ป่าไม้จึงเหมือนเป็นคุณแม่ที่ให้ความสลดวกสบายแก่เราทั้งหลายเราก็ถือว่าป่าเป็นแม่ปูเขาเป็นแม่แผ่นดินนี่ก็เป็นแม่เหมือนกันคือแม่ธรณีเราควรรักแผ่นดินควรจะอย่าทำให้เป็นคนหนักแผ่นดินแต่อยู่ให้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินด้วยการช่วยกันพัฒนาแผ่นดินป่าไม้ธรรมชาติ กวยน้องคองเมืองบางทั้งหลายทั้งบวกให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยดีงามเราเกิดมาช่างไม่ได้ก็อย่าทำลายอะไรอะไรของเพื่อนแผ่นดินนั่นแหละจึงจะชือชว่าเป็นคนดีเป็นคนที่มีความรักพ่อรักแม่มีความเป็นอยู่ที่ถูกต้องรู้จักคุณค่าของชีวิตในชคิดได้ว่าเราเกิดมาทำไมเราอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่ถูกที่ชอบที่เราควรทาคืออะไร เราได้กระ ท, ทํางถึงนั่น น, นแล้วหรื อ, อย่างนี่เป็นเรื่องที่เราควรคิดนัดอยู่เสมอหาก่อนที่จะยุติการแสดงปาตระถาเรื่องเกี่ยวกับวันแม่ก็ขอประกาศสิ่งที่ควรจะรู้ควรจะได้ช่วยกันทำํำดังที่เกคยประกาศไว้แล้วเกิดตึก80ดิปีปัญญาณันตะเป็นตึกโรงพยาบาลของโรงพยาบาลชนรัทานเวลานี้สร้างไปถึงชั้นที่หกแล้วยังจะตกแต่งภายใน ยังขาดปัจจัยที่จะซื้อเครื่องใช้ไม้สอยตามห้องหักต่างๆห้องหนึ่งก็ต้องใช้เงิน6กห0ืเบาทอยากโยงก่นใดมีปัจจัยเหลือกินเหลือใช้ในวันแม่นี้เราควรจะทำบุญนุกิจให้แม่ก็ช่วยกันไปบริจาคที่วัดชนรทานาลังเสริฐเพื่อสรางตึกนี้ให้เรียบร้อยเป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไปอันนี้เป็นประการประกาศในธรรมตงหลายชาต สแสดงมาด้วยเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่ของเราทั้งหลายก็สมควรแก่คารเวลาขอให้เราทั้งหลายจงพร้อมใจกันระลึกถึงพระคุณของแม่แล้วตามน้าตั้งพราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อสนองพระคุณของคุณแม่จงทั่วกันขออวยพรในทุกคนจงจเจริญด้วยศีล ด, ด้วยธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด